ยังไงเสียเราต้องฟันฝ่าไปจนได้แต่คิดว่าโอ้ยฉันไม่ไหวฉันไม่ไหวนี่รับรองเลยไปไม่ได้แต่ว่าเราไม่เคยที่ไปถิ่นนี้นะครับแล้วเรามีธุระจำเป็นมากต้องไปควรจะปลอบประโลม ก, ก็ดีเหมือนกันจะได้รู้ตกรถทักทีก็ดีจะได้รู้เรื่องไปเลย ยกให้มียกมือเคลื่อนไหวให้มีสาระยิ่งขึ้นนะไม่ไม่ไม่ใช่หลายสาระยิ่งขึ้นคือเต็มไปด้วยสาระของการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องมันอาจจะเร็วขึ้นแต่สาระเท่าเดิมความพาคภูมิความได้ดุนความตื่นตาตื่นใจเนี่คือสาระผมเห็นหลายคนกำลันงนั่ง อนนี้กล้ๆมันลุกไปไม่ได้เพราะเพื่อนก็นั่งอยู่แล้วต้องตื่นขึ้นมาตั้งหลักขึ้นมาเมื่อเคลื่อนได้เต็ม เต็มเต็มที่หรือเต็มสาระงมันจะรู้สึกสิบวูบที่ใจรัรู้สึกวิบวูบขึ้นมาที่ใจเนี่ยเสีวนเนยวเสียวเข้าไปสดสดเข้าไปในภายใน เพมเพิ่มฟังอธิบายนิดหนึ่งก่อนตรงนั้นนั่นไปนีข้อความในในพระไตรปิฎกนี้รับบอกว่าคลุกครีนอนเกยกายด้วยลูกด้วยเมียเขาบอกงั้นนี่ฮะกิ่งร่างกายไปเกยอยู่เรื่อยอง น, นีมันเลยเลยอิสระไม่ได้เข้าใจไหมครับดังนั้นอย่าอย่าให้การติด ก, กันมากอย่าง น, างนี้อย่างนี้นั่นไปครับนั่งนั่งตามสบายนั่งให้สบายครับ ขยายวงอีกถอยถอยหลังถอยหลังอ่าเนก็ยๆขยายวงคำว่านั่งให้สบายนี่มันคือถ้านั่งเป็นทุกข์แล้วมันก็ไม่สบายเท่านั้นเองนั่งให้ให้เป็นสุขนั่งให้สบายความสบายมีอยู่ในตัวเราแล้วเรานั่งแล้วหาจุดจุดสมดุลให้พอดีพอดีขึ้นมาเนี่ยอืเวลาจะนั่งให้สบายเนี่ยลองโยกโยกไปมาดูเฉพาะว่า มันจะมีจุดหนึ่งที่ได้ดุลพอดีครับบางทีอาจจะงอไปทางหน้านิดหนึ่งหรือถ่วงนิดหนึ่งแล้วมันจะเพราะว่ามีจุดหนึ่งเนะี่ยเต็มเต็มส่วนเข้าใจั้ยครับจยงการที่เรามประชุมนี่นะครับถ้ามองด้วยสายตาของผู้มีประสบการณ์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 พันพันล้านในโลกนี้ไปเยอเยออยู่ที่คอนเสิร์ตกลางแจ้งคอนเสิร์ตติดแย่อะไรนั่นเนี้ยดิสโกเทคอะไรเข้าใจไหมครับเขาไม่ประสีวิสาเรื่องเหล่านี้นะอแล้วก็เขาไม่ได้ยินข่าวสารเขาไม่เคยได้เข้าหูไม่มีโอกาสได้สะดับจับฟัง <c oughs> ไม่เฉพาะมืองไทยนะเยาวชนทั่วโลกนี้ครับญี่ปุ่นกี่ร้อยล้านไม่รู้มากมาย ด้วยพวกเรานอกจากได้ยินได้ฟังแนละ้วยังมีโอกาสได้ลิ้มลิ้มลองลิ้มชิมลองไอ้การปฏิบัติแม้จะ ช, ช่วงสั้นนักก็ตามท้ามองด้วยสายตาฐานการสากลฝั่งเขามาเที่ยวนะครับพวกบาทหลวงอะไรามาเห็นเด็กไทยกลุ่มสองกลุ่มนั่งภาวนาเนี่ยเขาปลื้มใจามากๆเขาเล่าให้ผมฟัง อ, อัอัศจรรย์จริง เด็กของเขาผู้เท่าผู้แก่คุมมาอยู่เข้าใจไหมครับเรียกว่าไม่เอาไหนกันเลยเพราะฉะนั้นสังคมบ้าเรานี่ยังมีหลักอยู่มากครับที่เราศึกษาห้มันรู้เพื่อที่จะถ่ายทอดไปสู่อนุชนรุ่นถัดไปต่เป็นน้องหรือลูกในวันหน้าหรือหลานก็ตามนะการตั้งดวงจิตอธิษฐานที่จะสงเคราะห์ผู้อื่นเนี่ยสำคัญนะครับ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 ทีถูกแม่ด่านี้เดียวเราก็จะฆ่าตัวตายใไหมได้พอไปดูโน้โอโหคนมันอดอยากยากไร้เรื่องเราเลยหายหัวไปเลยเข้าใจไหมครับดังนั้นการตั้งจิตทําในใจนะครับเรียกว่าที่สถานทําในใจให้มั่นคงตั้งใจตั้งขึ้นในใจคิดขึ้นในใจรู้สึกขึ้นในใจว่าอ๋อละเราจะใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์กับสังคม กับมนุษย์ให้มากที่สุด <c oughs> คิดเช่นนี้บ่อยครับที่หลังพอมันเกิดนายเบื่อขึ้นมาเนี่ยซึ่งซึ่งเป็นธรรมชาติหนึน่งนะไอแนวโน้มเองนี่จะยังเหลืออยู่เข้าใจไหมครับก็คล <c oughs> ้ายเราตั้งใจมานานแล้วตั้งอยู่ทุกคืนทุกวันตั้งใจที่สถานอยู่ที่หลังพอมันเบื่อขึ้นมานี่มันเบื่อพักเดียวสักเดี๋ยวมันไปตามแนวโน้มเองที่เราตั้งไว้เข้าใจไหมครับเหมือนเรือซึ่งแล่นตั้งใจเราจากขยาเนี่ยจาก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 เราจะพ้นทุกข์ไม่ได้ครับถ้าคนอื่นยังทุกข์อยู่ยเราเห็นความทุกข์เราก็เป็นทุกข์เห็นความยากจนเราก็เราก็เราก็เป็นทุกข์ครับนันดังนั้นความรู้สึกตัวที่ดีนะครับตั้งอธิสถานจิตที่จะให้สิ่งดีๆกับสังคมซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นเงินทองหรือการกระทํำยิ่ยงวีระบุรุษ ไ, ไม่จําเป็นอย่างนั้นนะครับ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 ร้านท่านว่าโคควายวายชีพได้เขาหนังใช่ไหยครับจาได้ไหมวัวควายตายมันยังมีเขามีหนังเหลือคนเราถ้าตายนะครับมันไม่มีเขาก็ไม่มีไม่มีให้ให้ประดับฝาหนังก็ไม่มีใครเอาหนังมนุษย์ไปเที่ยวทำรองเท้าหรือทำอะไรกระดูกไม่มีใครเอามาทําเครื่องประดับได้กระดูกคน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 ไม่ใช่กองมอดกเงินทองบ้านที่มอบให้ลูกให้หลานสิ่งนั้นสิ่งที่มีอยู่มากไื่มีอยู่น้อยไม่ไม่ใช่สาระแต่ว่าร่องรอยของการปฏิบัติดีช่ชีวิตคนหนึ่งหนึ่งที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นคือการสร้างแนวทางให้กับคนใกล้ตัวเป็นอย่างน้อย ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างมหาธมะคันธีหรือใครๆที่ที่โลกหรืออย่างน้อยถ้าเราควบคุมตัวเองได้ดีนะครับทำในสิ่งดีน้องหรือหลานเห็นข้าวมันก็ชื่นใจรู้เราก็เหลือแต่ล่องรอยของการปฏิบัติธรรมนะั้นนี่ตั้งใจอย่างนั้นตัวเราไม่กี่วันนะครับก็จะกาเท่าไปเรื่อยๆดังนั้น เราทําในสิ่งนี้เป็นประโยชน์ก่อนที่เรี่ยวแรงไปหมดโดยเฉพาะในวนัยหนสาวนะโอกาสที่จะฝึกปลือตัวเองให้เป็นประโยชน์กับชุมชนนี่สูงมากๆแต่ว่าถ้าใครไม่มีความตั้งใจนะครับเขาผู้นั้นใครที่ไม่มีความตั้งใจที่ให้กับสังคมเขาผู้นั้นก็จะช่วงชิงมาจากสังคมนั่นเองความตั้งใจที่จะให้ไม่มี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 แสดงวาจใ จ, จมันเริ่มประสานวันนี้ก็หรือเวลาที่กาหนดเสาร์คือขึ้นสมองนะผมอยากจะให้สนทนากันเองเข้าใจไครับแต่ว่าให้สนทนาในเรื่องของการปฏิบัติธรรมในหัวข้อที่ว่าเรารึกษาหารือในเรื่องเป็นสาระเข้าใจไหมห้ามคุยเรื่องอื่นนะครับ เรื่องจะดูหนังหรือศึกแล้วจะไปดูที่โรงนั้นเน่ยตกประเด็นประเด็นต้องตกไปทันทีแล้วก็แต่ละคนต้องยอบยั้งทันทีทุกคนมีสิทธิ์ที่บอกเรื่องนี้เธออย่าพูดออกมาไม่มีประโยชน์เข้าใจไมครับดังนั้นเราจะแก้ข้อกล่าวหาที่ว่าสตรีไม่อาจเข้าสภาได้ตั้งสภาสตรีขึ้นหนูทีแล้วคุยในเรื่องที่เป็นสาระเข้าใจไหมครับ อาจารย์ร่วมด้วยจริงครับนั่งด้วยนะดีไหมก็คุยในเรื่องเป็นประโยชน์ลองทดลองดูไม่ไม่ใช่ถามมันหาผมนะใครจะถามใครก็ได้ับตรนนี้คนนี้จะถามคุณโนนก็ได้ถามว่าเธอรู้สึกอย่างไรอะไรตรง น, นี้อะไรเงี้ย ผมถามก่อนดีไหมถามโยมชีครับออกบวชมานานหรือยังครับอ๋อบวชที่นี่แหละถ้าทางสงบเงบียมเขาก็จะบวชทุกสิบพรรษาใครจะแสดงมติอะไรก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ เพื่อฝึกปรือทำพูดทัศนากนติที่ว่าหรือจะวิาพาควิจารณ์ผมก็ได้ครับผมจะฟังรหรือวิจารณ์วัดนี้ก็ได้แล้ ต, ต้องต้องไอฝึกปรือที่เรามีความรู้สึกโดนครับแล้วมีความเป็นกันเองขึ้นทุติย์เราก็ผักแสดงออกชนิดที่ไม่ ไม่ใช้ใช้ความรุนแรงหรือใช้ความเหลวไหลเวลาเราคุยผมเคยร่วมประชุมประชุมสัมมนาเนี่ยผมสื่อผู้ใหญ่มันก็เหลวแหลกพอๆกันเด็กที่เขาพูดไม่ได้เรื่องมัยเราพูดเหมือนคนเมาแม้ในรับสภาเราเคยเห็นไหมครับนักสภาประชุมพูดก็เหมือนกับเด็กในร้านกาแฟาจะชกหน้าเนี่ผมได้ข่าวสอาสอต่ อ, อยในหน้าทำเนีย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 เวลามันมีใครรู้ไม่ก่เนี้ยนะแสดงใหญ่เลยแต่ว่าการแสดงออกในที่ประชุมเพื่อทาให้ที่ประชุมเนียร่ำรวยขึ้นใครจะเล่านิทานดีๆก็ได้นึกถึงนิทานที่มีประโยชน์ขึ้นมาหรือคำคมที่จำเข้ามาก็ได้ขโมยเข้ามาก็ได้ได้ทั้นั้นนะให้มันเกิดประโยชน์น <Okay. S 1> ไม่ยอมรับเลยก็ใส่บาตรไม่รับไม่ช่ เป็นนักบวชเขายืนของต่อไปไม่รับก็โยนต่นอไปไปถึงนี่ ก็อยากพูดสวาวะที่ประสบกับตนเองนะฮะจากชีวิตการอยู่หอสมอลหนึ่งคือตอนแรกๆที่ไปอยู่หอนี่ก็ยังเด็กอ่ะไม่รู้อะไรก็ทําอะไรตามใจตัวเองมากมายเลยซึ่งมารู้ทีหลังว่ามันไม่ดีอ่ะก็เลยได้ข้อคิดที่ว่าถ้าอยากถ้าสมมติว่าอยากให้ใครปฏิบัติกับเราอย่างไรแล้วต้องปฏิบัติอย่างนั้นต่อคนอื่นก่อนเนี้ยได้แค่นี้คะ ที่เรื่อนเกิดขึ้นในในทานหนึ่งสุดทายกำดนทีน่ทีงผูน้ น, น, นี่นี่คือก็เกิดขึ้นของนุชยธรรมเราเราอยากมีควาสุแล้วก็ถ้าเราให้คนใดเราควรด้นะครับให้ให้รายเาเดี๋ยวร้อยก็มันจะย้อนกับ เลิก็ได้รับสิเลิกนะให้สิงที่ไม่ไม่เลิกนะก็ได้รับสิ่งม่เลิกนะ <c oughs> มึให้หวัวใจในการทาอะไรก็จะได้หวัวใจเร่่จะทำงานที่มหัวใจจริงหวัวใจเราจะีกำลั ง, งมันคือหวัวใจของกลามจริง ควาดีฉั น, นะคะแบรู้สึกว่าตั้งแต่อาจารย์โกวิมาฝึกจิตภาวนานี่ยู้สึกว่าถึงจะแบบไม่ค่อยแบบอาจจะดีขึ้นนิดหน่อยแต่มีความรู้สึกว่าคือมีความอยากตั้งใจว่าจะต้องเพียรมากๆขึ้นอย่างเงี้ยแบบจาคําพูดอะไรอ่ะฝึกมีแรงจูงใจดีของอาจารย์นะคะเราคิดว่าต่อไปถึง ถึงเราคิดว่าตอนนี้เราไม่ได้อะไรที่เกิดว่าถ้าเกิดเราพยายามยิ่งขึ้นคิดว่าถึงจะนานสักอะไร่ที่ว่สักวันหนึ่งเราคงอะไรได้บ้างอีกนิดหนึง่งแต่ไม่คิดว่าจะหวังมากเกินไปนะคะแค่นี้ค่ะ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 อันที่จริงไม่ใช่นะคะเป็นความรู้สึกของเด็กวัลคอรทั่วไปที่ว่าถ้าหากว่าผู้หญิงสาวนะคะเข้าวัดคงจะมีปัญหาหรือว่าสุขภาพจิตอะไรไม่มีอย่างนี้เลยคะ่ะอันที่จริงไม่ใช่เพื่อนเพื่อนที่ไม่รู้ต่างหากนั่นเลยค่ะคือพวกสุขภาพจิตไม่ค่อยดีค่ะครับ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 เราเราได้สิ่งที่สําหรับเป็นสิ่งเริ่มต้นเพื่อไปทําต่อไปนะคะสาหรับตัวเองก็ไม่แน่ใจว่าจะทําได้มากกันไหนหนเพราะว่าอยู่ในสภาพของกรุงเทพเต็มที่งั้นสิ่งต่างๆมันจะต่างจากที่นี่มากแต่คิดว่าจะลองทําดูนะคะถ้าคิดเริ่มต้นว่าจะทํามันไรทุกสิ่งทุกอย่างก็พึ่งตัวเองอย่าหวังพึ่งเพื่อนให้มากนะคะถ้าแสดงตนว่าเป็นคนอ่อนแอแล้ว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 แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> คือจะเล่านิทานให้ฟัง <c oughs> คือนิทานนี้อ่านมานานแล้วนะคะคือมีมีครอบครัวหนึ่งแล้วก็จะถึงวันปีใหม่แล้วที่นี้ก็มีพ่อแม่แล้วก็ลูกสามคนนะคะ <c oughs> สมมุดก็เล้วการว่าชื่อนิดน้อยหนงนะคะ แล้วก็นิกกับ น, น้อยเนี่ยเขาก็สะสมเงินไว้แล้วใช่ไหมคะว่าจะซื้ออะไรให้พ่อกับแม่น้องก็สะสมไม่เหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าเงินของตัวเองนี่ยังไม่เยอะพอก็วันหนึ่งเนี่ยน้องเนี่ยไปตลาดกับแม่แล้วก็ก็เห็นเหลือเห็นหนังสือเล่มหนึ่งก็เขียนว่าอออืมอาการให้ของขวัญวันปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ แล้วก็หน่องเขาก็ไปเปิดอ่านแล้วก็พอเขากลับมาเนี่ยเขาก็ปิดประตูห้องแล้วก็มันเป็นห้องเก็บของนะคะเขาเขาก็ปิดปิดแล้วก็เขาก็ทําอะไรของเขาค่ะจัดของแต่คนอื่นเขาจะไม่รู้ว่าหน่องเนี่ยเข้าไปทําอะไรน่องก็จะจัดของของในห้องเก็บของเนี่ยคะ่ะให้เป็นระเบียบมากเลยพอถึงวันปีใหม่เนี่ยอืม น้อยกันนิดเนี่ยน้อยก็ซื้อผาเช็ดหน้าให้พ่อให้แม่อย่างเงี้ยอย่างน้องก็ซื้อถุงเท้าให้ก็พอหน่องพอวันพอวันปีใหม่หน่องก็เปิดประตูให้ทุกคนดูทุกคนก็จะเห็นว่าห้องเก็บของเนี่ยจะเป็นระเบียบมากเลยจัดเก็บอะไรเนี่ยดีแล้วก็หนองยังยื่นกระดาษให้พ่อกับแม่แล้วก็ ในกระดาษเนี่ยเขาจะเขียนว่าอืมสัปดาห์เนี้ยเขาจะกวาดกวาดบริเรีวณรอบบ้านแล้วก็ปลูกต้นไม้สัปดาห์ต่อไปปลูกต้นไม้หรือว่าทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเนี่ยค่ะคืออยากจะพูดว่าการกระทําเนี้ก็สําคัญนะคะแบบการกระทําเนี่ยบางทีเราคิดแต่ว่าการกระทําเนี่ย เป็นสิ่งที่ปุ่งบรงความคิดของเรามาได้อย่างได้ข่าวว่าตอนนี้พวกเราเนี่ยคือทราบนะคะว่าทุกคนเนี่ยทราบซึงในพูกคุณของพระอาจารย์แล้วก็ทุกคนมากแล้วก็ทุกคนอยากจะตอบแทนใช่ไหมคะ คิดว่าจะอืมจัดจัดอะไรแล้วก็กล่าวขอบคุณอาจารย์คือคิดว่านั้นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าอีกอย่างหนึง่งที่สําคัญที่บอกว่ า, วาเราจะลืมไม่ได้คือถ้าเราอยากให้อาจารย์ชื่นชใยอะไรอย่างเงี้ยเราควรปฏิบัติตัวให้สมกับที่ว่าอาจารย์ตั้งความหวังเอาไว้ค่ะแค่นี้ค่ะ ทีนี่ถึงถึงรอบรอบที่สอง